ขอนอบน้อมพระรัตนชัย <c oughs> กราบครูบาอาจารย์กราบอาจารย์ทรงศิลป์หลวงปู่กลมอาจารย์วัฒนชัยแล้วก็พันเต ร, รวมถึงหมู่สงแล้วก็เจริญพรญาติโยมทุกคน <c oughs> วันนี้ก็งง <c oughs> ปกติอาจารย์ทรงศิล์เรียกเรียกออสเนาะปกติชื่ออส วันนี้ท่านใช้ชื่อจริงแสนปลาด ง, ง <c oughs> ก็คุยกันเป็นกันเองเนาะเราก็มาปฏิบัติธรรมกันวันนี้อยากจะพูดในเรื่องของเรื่องของความไม่เที่ยงนะความเปลี่ยนแปลง <c oughs> พวกเราที่อยู่วัดมานานแล้วต่อเนื่องก็จะเห็นอันนี้ให้มองจาก สิ่งนอกตัวก่อนนะเพราะว่าธรรมะเนี่ยมันทั้งมีทั้งสิ่งนอกตัวแล้วก็สิ่งที่อยู่ในตัวเราอสิ่งนอกตัวนะจริงๆเรื่องธรรมะเนี่ยว่าไปแล้วถึงเราจะพูดให้ฟังนะเราจะบอกหรือไม่บอกก็ตามเนี่ยมันก็มีอยู่นะเราจะมองเห็นหรือไม่มองเห็นอมันก็มีอยู่เราจะได้ยินหรือไม่ได้ยิน มันก็มีอยู่เราจะรู้กลิ่นหรือไม่รู้กลิ่นเราจะรู้รสหรือไม่รู้รสเราจะรู้การกระทบสัมผัสหรือไม่รู้การกระทบสัมผัสหรืออาการทางใจเนี่ยถึงเราไม่บอกชื่อมันก็มีอยู่นะแต่งไงก็ตามเรื่องของธรรมะเป็นเรื่องของการชี้การพูดให้ฟังเนาะพูดให้ฟังชี้ให้ดู ถ้าไม่มีผู้ชี้ให้ดูไม่มีใครพูดให้ฟังเนี่ยสิ่งนั้นถึงมันจะมีอยู่เราก็ไม่รู้เรื่องกับมันนะเราก็ไม่รู้เรื่องกับมันอย่างพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านก็ทรงชี้ให้พวกเรามาดูกันนะว่ามีอะไรอยู่ในกายใช่ไมมีอะไรอยู่ในใจนะแต่ทีนี้ตอนนี้จะขอชี้ในเรื่องข้างนอกก่อนก็คืออย่างสมมติเรามาทำวัด เช้าธรรวัดเย็นที่นี่แหละศาลาแห่งเนี้ยนะแต่ละวันเนี่ยมันก็ไม่เหมือนกันนะไม่เหมือนกันอย่างเช่น เ, เรื่องเราทําวัดสวดมนต์นะบทหลักก็คล้ายคลยกันไม่ว่าทําวัดเช้าทํามวัดเย็นบทหลักก็คล้ายกันแต่บทพิเศษแต่ละวันก็ไม่ซ้ํากันไม่เหมือนกันนะก็เปลี่ยนมาเรื่อยๆนะรวมถึง ที่เราฟังธรรมะจากซีดีจากสื่อเนี่ยบางวันเราก็เปิดหลวงพ่อคําเขียนใช่อหมบางวันเราก็เปิดซีดีของหลวงพ่อเทียนบางวันเราก็เปิดซีดี CD ของพระอาจารย์ไผ่สารเห็นไหมมันก็ไม่ซ้ํากันมันก็เปลี่ยนอยู่แล้วก็เรื่องของการแสดงธรรมก็เหมือนกันนะ บางทีแสดงสดกันอย่างเนี hey, ้ยก็ม he ีครูบาอาจารย์หลายรูปนะหลายท่านวันนี้ก็ท่านโน้นวันนี้ก็ท่านนี้ก็จะเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลาอันนี้พอจะมองเห็นแล้วว่าทุกอย่างมันมีแต่ความเปลี่ยนแปลงนะไม่แน่นอนนะทีนี้อย่างดินฟ้าอากาศก็เหมือนกันเมื่อวานเมื่อวานก็ฝนตกถูกไหาเมื่อวานฝนตกวันนี้ไม่ตกอืม บางวันอากาศเย็นๆหน่อยหนาวหน่อยบางวันก็ร้อนหน่อยอุ่นๆหน่อยเห็นไหมมันก็ไม่แน่ไม่นอนมันก็มีแต่ความเปลี่ยนแปลงนะเพราะนั้นทุกอย่างสิ่งเนี้มันมีอยู่แล้วแหละใครจะพูดให้ฟังหรือไม่พูดให้ฟังก็ตามมันมีอยู่แล้วแต่เมื่อพูดให้ฟังอย่างที่เล่ามาเมื่อกี้เนี่ยอย่างน้อยพวกเราก็ได้เห็นกันแล้วว่าเออใช่มันเปลี่ยนแปลงจริงๆนี่ เพราะนั้นถ้าเราบอกว่าใช่นั่นแหล ะ, สะแสดงว่าเราเห็นตรงกันนะมันไม่ใช่เป็นเรื่องที่มาพูดกันแบบลอยๆมันมีพยานหลักฐานยืนยันให้เห็นอยู่ว่าสิ่งนี้มันมีอยู่จริงนะเออมันเปลี่ยนแปลงจริงๆรนะอะไรเนี่ยทีนี้กลับมามองในส่วนของร่างกายของเราก็เหมือนกันนะร่างกายของเราก็รู้กันอยู่นะก็คือส่วนที่เป็นร่างกายแล้วก็ส่วนที่เป็นจิตใจ ร่างกายของเราก็ไม่แน่นอนเปลี่ยนแปลงตลอดนะอย่างดูเช่นอิริยาบถเนี่ยนะวันหนึ่งเนี่ยมันมีเยอะแยะมากมายอืมสมมติเราจะเริ่มตั้งแต่ตื่นนอนก่อนอ่ะช่วงนอนก็คืออยู่ในท่านอนใช่ไหมพอลุกขึ้นมามันก็เปลี่ยนและจากท่านอนอันนี้เอาเป็นห ย, ยาบๆไปก่อนนะจริงๆมันมีรายละเอียดยิบยับไปหมดเลยอิริยาบถเนี่ยแต่ว่าเอาเป็นที่เรารู้จักก็คือ นอนอยู่แล้วก็ต่อมานั่งใช่ไหมจะนั่งท่าไหนก็แล้วแต่ต่อมาก็ยืนต่อมาก็เดินเห็นไหมอิริยาบถใหญ่ๆ ห, หยับหยับเนี่ยอย่างน้อยก็สี่แล้วล่ะแล้วมันก็เป็นอยู่อย่างเนี้ยเป็นแล้วเป็นอีกเป็นแล้วเป็นอีกอืทีนี้อิริยาบถย่อยอีกโอ๊้สารพัดย่อยยับยุบยุบไปหมดเลยนะเดี๋ยว ครเดี๋ยวเหยียดเดี๋ยวเคลื่อนไหวเดี๋ยวก้มเดี๋ยวเงยหันใจแล้วฝาเอ้อโหเยอะแยะไปหมดนะอันนี้ถ้าพูดไปมันก็ไม่จบแต่เอาเป็นคร่าวว่าสิ่งพวกนี้แหละมันเป็นความไม่แน่นอนไม่เที่ยงไม่มีอันไหนที่ว่ามันอยู่ในอิริยาบทใดอิริยาบทหนึ่งเพียงอันเดียวมันจะต้องสับเปลี่ยนอยู่ตรงเนี้ยชั่วตลอดชีวิตของแต่ละบุคคลอ่าใช่ไหม ส่วนจิตใจก็เหมือนกันจิตใจเนี่ยมันก็เปลี่ยนอยู่ตลอดเวลาเร็วด้วยจิตใจเนี่เร็วนะอาการทางจิตใจเร็วมากอารมณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นเดี๋ยวพอใจเดี๋ยวไม่พอใจเดี๋ยวรู้สึกรักเดี๋ยวรู้สึกเกลียดเดี๋ยวรู้สึกหงุดหงิดเดี๋ยวรู้สึกโมโหนะเบือ่อลำคาญหงุดหงิด เห็นไหมอารมณ์พวกนี้มันไม่เคยหนีไปไหนเลยเราเกิดมาทั้งชีวิตเนี่ยมันก็ยังมีอยู่นะนี่คือความจริงความจริงที่มันต้องเปลี่ยนแปลงนะเพราะฉะนั้นในเรื่องของธรรมะเนี่ยจริงๆมันก็มีอยู่เท่านี้แหละที่เรามาต้องมาเรียนกันก็คือมาเรียนมาอาเรียนเรื่องของความจริงแต่จริงที่มันเปลี่ยนแปลงนะมันจริงแต่ว่ามันเปลี่ยนแปลงที่เรียกว่าอนิจจังเนาะ เพราะฉะนั้นพอเราเข้าใจเรื่องนี้ไปแล้วเนี่ยถ้าเราเข้าใจอย่างลึกซึ้งแล้วเนี่ยว่าไปแล้วเนี่ยมันไม่มีอะไรที่จะอยากเกินไปกว่านี้อีกแล้วนะไม่มีอะไรอยากเกินไปกว่านี้ถึงเราอยากเท่าไหร่แต่สิ่งเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันก็ไม่ฟังเราถูกมมันก็ต้องเปลี่ยนแปลงไปตามเหตุตามปัจจัยของมันเราจะเรียกร้องสักเท่าไหร่มันก็ไม่ตอบสนองให้เราหรอกเพราะนั้นถ้าเราเข้าใจเรื่องเนี้ย หยุดอยากเสียเพียงแค่เห็นความเปลี่ยนแปลงที่มันเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนอีกเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนอีกนะแล้วก็พระพุทธเจ้าท่านก็บอกอยู่แล้วว่าความอยากนี่แหละคือเหตุแห่งทุกข์ใช่มถ้าเราละความอยากเสียได้เพียงแค่เห็นตามความเป็นจริงว่าสิ่งเนี้ยมีแต่ความไม่เที่ยงเห็นความจริงเรื่อยไปละความอยากได้เมื่อไหร่เราก็ไม่ทุกข์แล้วนะ แต่ทีนี้ที่เราไม่เข้าใจทุกวันนี้เรายังมีความอยากอ ย, กอยู่อยากตามที่เราอยากจะให้มันเป็นอยากที่จะให้เป็นไปตามที่เราต้องการรวมถึงความไม่อยากให้มันเป็นด้วยใช่อย่างมันร้อนอย่างนี้มันร้อนก็คือมันร้อนก็ถูกของมันนะมันซื่อตรงมากๆเลยร้อนก็คือร้อนถ้าเราอยากให้หายร้อนนั่นหมายความว่าเรามีกิเลสตัณหาเข้าไปแล้ว มร้อนทางกายเราก็บันเทาไปได้แค่ไหนก็คือแค่นั้นนะส่วนด้านจิตใจก็เหมือนกันที่มันมีอารมณ์ต่างๆเกิดขึ้น่างทีเห็นแล้วรักเห็นแล้วเกลียดเนี่ยมันก็ถูกของมันอะ่ะมันก็เป็นธรรมชาติชนิดหนึ่งที่มันเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยอย่างเช่นเราสมมติเรามองคนคนหนึ่งนะพอเห็นหน้าปั๊บเนี่อ ร, รักเขาเลยเนี่ยมันเกิดอาการรักขึ้นมาเลยทันทีเลย นั่นคือความเป็นเองมันมีเหตุเพราะอะไรก็ไปเห็นข้าตอนที่ไม่เห็นมันก็ไม่ได้เห็นรักอะไรถูกไหเออพอมันเห็นปับ๊บมันก็เกิดความรักขึ้นมาทีนี้เมื่อหมดการเห็นความรักก็หมดไปแต่ถ้าคิดขึ้นมาใหม่อา้าวมันเป็นขณะใหม่แล้วคิดกับการเห็นเห็นเห็นช่วงแรกก็ดับไปแล้วหมดไปแล้วความรักก็หมดไปต่อมาไม่ได้เห็นแต่มันเรื่องของใจมันคิด การคิดเนี่ยมันก็ต้องมีเหตุเหมือนกันไม่ใช่ว่าอยู่ๆมันจะคิดขึ้นได้อย่างบางทีไปเห็นคนอื่นคลับคล้าย ค, คลับคๆขึ้นมาอา้าวก็ไปคิดและไปคิดถึงคนที่เคยเห็นอ๋อก็เกิดไปนึกถึงเขาแล้วก็เกิดความรักเข้าไปอีกเพราะฉะนั้นอาการพวกเนี้ยมันเป็นอาการที่เกิดขึ้นตามเหตุตามปัจจัยนะเราห้ามมันไม่ได้เลยมันเป็นยังไงมันก็คือเป็นอย่างนั้นแต่ทีนี้ความอยากของเรานี่แหละตัวเหตุให้เป็นทุกข์ทั้งใจก็คือ เช่นเมื่อเห็นแล้วมันรักใช่ไหมเห็นว่าความรักเนี่ยไม่ดีความรักเป็นเหตุให้เป็นทุกข์พยายามผลักไสความรักที่เกิดขึ้นในจิตนี่ตัวตันหาเกิดขึ้นแล้วไม่อยากจะให้มีอาการนี้เมื่อมันไม่อยากมันก็ทุกข์เบิ้ลขึ้นมาอีกเพราะนั้นในหลักที่พระพุทธเจ้าท่านสอนเพียงแค่มีสติระลึกรู้สิ่งที่กำลังปรากฏ มันปรากฏเพื่ออะไรปรากฏเพื่อรู้ปรากฏเพื่อเป็นสิ่งระลึกรละลระลึกรู้ของสติใช่ไหม <p> เพราะฉะนั้นมันเพียงเพื่อระลึกรู้เท่านั้นเองแค่นี้แหละเราก็หมดการยึดมั่นถือมั่นแล้วฝึกตรงนี้ให้ชำนาญเนาะให้ชํานาญการรู้การเห็นกับสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างที่เราได้ยินได้ฟังนั่นแหละที่บอกว่าเพียงสักแค่รู้สักแต่ได้ยินอ่สักแค่สักแต่เห็น สักแต่ทราบธรรมะสูตรพระสูตรที่มันง่ายๆลัดสั้นที่สุดมันก็มีอยู่เนาะแต่ทีนี้ถ้าเราเข้าใจตรงเนี้ยที่เหลืออยู่ก็คือความเพียรของเราฝึกให้มีความคล่องแคล่วว่องไวต่อสิ่งที่ปรากฏอะไรปรากฏขึ้นก็สักแต่รู้มันควาว่าสักแต่รู้ในความหมายที่ที่อัตมาหรือผมเข้าใจก็คือว่าจริงๆเนี่ยมันก็มีทางหูตาจมูกลิ้นกายใจ เช่นสักแต่ได้ยินเนี่ยสักแต่ฟังเนี่ยอันนี้ก็พูดถึงเรื่องของทางหูใช่ทางหูก็สักแต่ฟังสักแต่ได้ยินก็ถูกแล้วเทนี้ว่าถ้ามันลงไปถึงใจเช่นพอฟังเสร็จแล้วขณะแรกฟังเสร็จไปแล้วขณะต่อมามันก็ไปถึงใจก็คือเกิดอาการทางใจขึ้นมาเช่นอาการเกิดชอบขึ้นมา ก็สักแต่ทราบสักแต่ก็คือรู้ไปที่ใจก็คือสักแต่รู้เหมือนกันแต่รู้ที่ใจใช่ไหมรู้กลิ่นก็เหมือนกันเพราะคนเราเนี่ยนะว่าไปแล้วเนี่ยมันไม่ใช่ว่ามีทวานเดียวไม่ใช่มีแค่หูอย่างเดียวไม่ใช่มีแค่ตาอย่างเดียวจมูกลิ้นหรือกายหรือใจอย่างเดียวมันมีอายตนะทั้งตั้งหกทางใช่ไหมถ้ารวมถึงอายตนะภายนอกภายในมันก็คือสิบสอง เพราะนั้นทุกอย่างเขาก็ทําหน้าที่ของเขาตาก็มองเห็นหูก็ได้ยินจมูกก็รู้กลิ่นกายก็รู้สัมผัสใจก็รู้การกระทบทางใจใช่ไหมเพราะฉะนั้นถ้าเรามีสติค่องแคล่วรวดเร็วว่องไวเนี่ยมันก็มีสักแต่ว่ารู้สักแต่ว่าเห็นได้บางคนอาตมามองนะว่าคือเข้าใจผิดบอกว่าถ้าสักแต่ได้ยินเนี่ยหมายความว่าไม่คิดอะไรมันคนละตอนกันสักแต่ได้ยินขณะแรก แต่ความคิดเป็นขณะถัดมาขณะอื่นเขาเรียกว่าเพราะว่าสภาวะธรรมเนี่ยมันเร็วใช่ไหมพอเราได้ยินปั๊บดับไปละเช่นเราได้ยินเสียงเนี่ยหมดละถูกไหมหมดละแต่ทีนี้ขณะต่อมามันจะเกิดอะไรขึ้นก็คือความจําได้หมายรู้ว่าไอ้เสียงแบบเนี้ยคือเสียงกระทบกันอย่างเนี้ยอ่ะเสียงกระทบกันของนิ้วกับมือมันก็เป็นความคิดถูกไหมเพราะฉะนั้นการได้ยินจบไปแล้วแต่ความคิดเกิด ในขณะถัดมาเมื่อความคิดเกิดในขณะถัดมาความคิดดับไปแล้วแต่เกิดอาการไม่ชอบเกิดขึ้นอีก mm. ก็มันก็เป็นขณะขณะไปเพราะฉะนั้นสักแต่ว่าสักแต่ว่าเนี่ยมันก็หมายความว่ามันทันตรงไหนก็คือสักแต่ว่าตรงนั้นเราไม่ใช่ว่าไปห้ามไม่ให้ออการรับรู้ในอายตนะทางอื่นหยุดไปไม่อย่างนั้นก็เราก็รู้อยู่อย่างเดียวนิ่งก็เที่ยงไปเลยใช่ไหม เพราะนั้นคำว่าสักแต่ว่าเนี่ยมันจะต้องแล้วแต่หูตายจมูกลิ้นกายใจเป็นอันอันไปนะทีนี้พอเราเข้าใจตรงนี้เสร็จเนี่ยก็ฝึกตรงนี้แหละฝึกสักแต่รู้สักแต่เห็นสักแต่อะไรไปเรื่อยๆเนี่ยมันก็จะเกิดการชํานานนะเมื่อมีการชํานาญมันก็ค่องแค่ว่องไวแล้วก็สติปัญญามันก็จะมาเร็วอะไรกระทบก็จะทันกันอะไรมากระทบก็จะทันกันแล้วมันก็หมดไปหมดไปหมดไปเนาะ เนี่ยลักษณะธรรมะมันอยู่ที่ตรงนี้เพราะฉะนั้นถ้าเราเข้าใจเรื่องของหนึ่งอย่างเช่นไตรลักษณ์เนี่ยมันมีมีสามลักษณะใช่ไ้ยแต่วันนี้ที่พูดก็คืออันนี้จังก็คือความเปลี่ยนแปลงถ้าเราเข้าใจเรื่องความเปลี่ยนแปลงเนี่ยก็ง่ายขึ้นแล้วแล้วความเปลี่ยนแปลงมันก็คือทุกขังนั่นแหละด้วยเมื่อเขาเรียก ว, ว่าทาไมมันเปลี่ยนแปลงเพราะว่ามันทนสภาพเดิมไม่ได้มันจึงต้องเปลี่ยนแปลง ไอ้ทนสภาพเดิมไม่ได้เลยแหละเขาเรียกว่าทุกขังถูกไหมเพราะฉะนั้นอ น, อนิจจังกับทุกขังเนี่ยมันไปด้วยกันได้แต่แล้วแต่ผู้ปฏิบัติจะมองว่ามันจะเป็นอนิจจังหรือทุกขังแต่จริงๆก็คือมันก็อันเดียวกันจะว่าอย่างนี้ก็ได้อย่างเช่นเราสวดบนทำวัดเช้าใช่ไห อ, อรูปไม่เที่ยงวิญญาณไม่เที่ยง ส, สัญญาไม่เที่ยงสังขารไม่เที่ยงวิญญาณไม่เที่ยง แล้วก็ต่อมาก็พูดถึงรูปไม่ใช่ตัวตนรูปเวทนาไม่ใช่ตัวตนสัญญาไม่ใช่ตัวตนสังขารไม่ใช่ตัวตนวิญญาณไม่ใช่ตัวตนในบทสวดมนต์ตรงนี้ไม่มีไม่มีทุกขังเลยมีแค่อนิจจังกับไม่ใช่ตัวตนที่เท่าที่เราฟังครูบาอาจารย์ว่าทำไมไม่ใส่ทุกขังลงไปก็ท่านอธิบายว่าอนิจจังกับทุกขังเนี่ยมันแทนกันได้เพราะฉะนั้นเลยไม่ได้ใส่ไวในบทสวดมนต์อีก เพราะนั้นถ้าเราเข้าใจเรื่องอนิจจังเนี่ยเราก็จะเข้าใจทุกขังได้เพราะมันคืออันเดียวกันพอมันทนสภาพเดิมไม่ได้มันก็ต้องเปลี่ยนไปอย่างเช่นนะอย่างเราเอาเอารูปเสียงเป็นรูปได้ยินเป็นนามถูกไหมพออาตมาพูดครั้งหนึ่งโยมก็จะได้ยินพออาตมาหยุดพูดการได้ยินก็หมดไปถูกไหมรูปหมดนามก็หมด ทำไมเสียงมันตั้งอยู่นานไม่ได้เพราะว่ามันทนสภาพเดิมไม่ได้มันจะต้องเปลี่ยนมันต้องแตกสลายดับไปเพราะนั้นเสียงจึงไม่มีพอเสียงไม่มีการรับรู้ทางหูก็คือวิญญาณเมื่อไม่มีเสียงจะให้วิญญาณรู้วิญญาณก็ไม่ทำงานก็กลายเป็นไม่ได้ยินเสียงเห็นไหมมันไปด้วยกันเสียงเป็นรูปรู้เป็นนามรูปดับนามก็ดับดับไปทั้งหมด พร้อมๆกันดับด้วยกันแล้วมันสั้นนิดเดียวนึกออกใช่ไหมอย่างเคาะก็ได้ป๊อกเดียวแล้วก็หายไปแล้วมันเร็วเพราะฉะนั้นอันนี้จังกับทุกขังก็คือเนี่ยมันไปด้วยกันอันนี้จังคือต้องเปลี่ยนแปลงมีเสียงเสียงเกิดแล้วเกิดอีกแต่ว่าเกิดแล้วก็ดับแล้วดับอีกอก็เป็นยางไงเพราะนั้นถ้าเราฝึกบางที ประสบการณ์นี้รล่าประสบการณ์นิดหนึ่งนะอย่างเรื่องของการปฏิบัติธรรมเนี่ยแรกๆมีความจำเป็นมากที่ต้องฝึกตามรูปแบบมีความจำเป็นเพราะว่าเราไม่เคยรู้อะไรมาก่อนเพราะฉะนั้นเราต้องอาศัยตามรูปแบบของครูบาอาจารย์เนาะแล้วแต่ว่าเราจะศรัทธาในครูบาอาจารย์องค์ไหนหรือท่านใด แล้วก็อุบายในการเรียนธรรมะมันก็เยอะแยะมากมายที่ยุบหนอะพองหนอพุทธโธใช่ไหมเยอะแยะไปหมดแต่สายหลวงพ่อเทียนอาตมาก็เริ่มเรียนจากสายหลวงพ่อเทียนเหมือนกันตอนนั้นก็คือเป็นเรื่องของเราไม่รู้มาก่อนว่าธรรมะมันคืออะไรอะแต่ว่าเข้าใจอย่างเดียวว่าธรรมะเป็นของวิเศษคืออัศจร์เป็นเขาเรียกว่าอิทธิฤทธิสามารถเห็นในสิ่งที่เราไม่เคยรู้จัก เช่นดำดินได้ใช่ไหมเหาะเหินได้ประมาณอย่างนี้แหละหรือว่าถ้าปฏิบัติทำแล้วจะจะไม่ป่วยจะไม่เป็นไข้อะไรประมาณอย่างเนี้ยเราก็บางทีทําบุญแล้วอธิษฐานบอกเอออยาเจ็บอยากไข้นะอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นความสิ่งที่เราเคยเข้าใจตรงนี้มันเป็นเรื่องมันไม่ใช่หมดเลยอะ่ะทีนี้พอเรามาปฏิบัติแล้วก็เราฟังประกอบไปเรื่อยๆเนี่ยเราก็จะรู้เลยว่าอ๋อธรรมะมันคืออะไรทีนี้พอเราเข้ารูปแบบเช่นเรายกมือ อาตมาก็ใช้การยกมือมามากเลยตั้งแต่เข้าคอร์สครั้งแรกเมื่อปีประมาณน่าจะเป็นสี่สี่สามเนาะสองพันห้าร้อยสี่สิบสามมีการาไปพระครูบาอาจารย์ก็ไปแสดงธรรมตามที่ต่างๆอาตมาก็ไปที่พุทธมนตรจังหวัดนคนปรปฐมก็เรียกรายการเปิดประตูใจแต่เท่าที่คุยในะตอนหลังเห็นพระอาจารย์ทรงศริลก็บอกว่ารุ่นนั้นอาจารย์ก็ได้ออกไป เผยแผ่ธรรมะด้วยไปนั่นกันทีนี้พออาตมาได้รู้วิธีของการฝึกเยริญสติกับการเคลื่อนไหวเนี่ยการยกมือช่างจังหวะก็ดีการเดินก็ดีการนั่งก็ดีนะการทานอาหารการลุกการเดินทุกอิริยาบถ ท, ที่ครูบาอาจารย์ได้ได้ให้เราไปฝึกเนี่ยอาตมาเอามาใช้ทั้งหมดเลยใช้ไม่เคยหยุดแม้กระทั่งวันเดียวจนถึงทุกวันเนี่ยไม่เคยหยุดเลยนะมันก็เป็นความเขาเรียกว่าเป็นความฉันทะ เป็นความพอใจทำไมเราพอใจกับสิ่งนี้เพราะว่าสิ่งที่เราทาไปแล้วเราฝึกไปแล้วเนี่ยมันให้ผลผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าเราเห็นประโยชน์ตรงนี้พอเห็นประโยชน์เนี่ยมันเหมือนกับว่ามันก็มีความเพียรเดินหน้าลูกเดียวนะทีนี้จากการยกมือโอเคมันใช่เราก็ฝึกไปแต่พอมาระยะหลังๆเนี่ยเราเห็นว่าเอ๊ะบางทีเราไม่ยกมือแต่มันก็รู้สึกตัวได้เช่น เราเดินเดินเนี่ยมันลื่นเนี่ยมันลื่นเนี่ย ม, มันทลาลงไปเนี่ยแชลแลตอ่ะจีโน่เหยียบขี่โคลนใช่ไหมเหยียบเปลือกกล้วยอย่างเงี้ยปื้ดเนี่ยมันรู้สึกตัวได้อย่างชัดมากเลยแล้วไม่มีเจตนาที่จะรู้ด้วยไม่มีเจตนาที่จะทำด้วยแล้วสามารถรู้สึกตัวทั่วพร้อมด้วยไม่ใช่แค่มือละพอมันลื่นปื้ดเนี่ย โ, โหหทั้งตัวเลยโยกเซทั้งตัวเลยรู้เท้าสัมผัส ที่มันกับการพื้นที่เราแฉะแน่ะนะรวมถึงการโยกเยกโครงเรลงทั้งตัวรวมถึงใจคิดนึกรวมถึงอาการทางใจมันเห็นหมดอ่ะเพราะนั้นสติจริงๆเนี่ยมันมันเร็วมันมีอยู่แล้วเพียงแค่หนึ่งเราไม่รู้จักสองเราไม่ได้ฝึกเริ่มต้นมันก็ไม่ให้ผลใช่ทีนี้พอเป็นอย่างนี้มันก็มีความเพียรมากๆแล้วก็จะมารู้เลยว่าการฝึกเนี่ย เราไม่เพียงแค่รูปแบบอย่างเดียวเราจะต้องมีศิละปะของเราเราจะต้องหัดเล่นเอากายเอาใจของเราเนี่ยมาหัดเล่นมหัดธรรมาหัดเคลื่อนแล้วก็มาสังเกตดูว่ามันรู้สึกตัวได้ไหมอย่างเราลูกหวงเนี่ยใครบ้างไม่รู้สึกตัวถ้าเรารู้จักเรื่องความรู้สึกตัวแล้วถูกไหมเราก็จะรู้เลยว่าเอา้าเนี่ยมันสัมผัสเนี่ยมันเสียดสีอยู่และยังมีเสียงด้วยถูไปถูมามันเกิดความร้อนด้วยเนี่ยพอหยุดการกระทำเอาความร้อนก็หายไปเสียงก็หายไป คือมันมีสภาวะธรรมมากมายที่ให้เรารู้จักกับกับเทคนิคที่เราเราฝึกอะ่ะเพราะฉะนั้นเรามีโอกาสก็ไปเล่นเล่นเอาบ้างมันผ่อนคลายเขาเรียกว่ามันผ่อนความเครียดด้วยได้เหมือนกันถูกไหมอย่างเรายกมือก็ยกมือมากๆหรือเดินมากๆก็ดีนเนี่ยบางทีอย่างที่ครูบาอาจารย์ท่านบอกว่าทําให้เราล้าใช่ไหมเรารู้สึกตัวไม่ได้มันเลอไปหมดแล้วอะไรก็ไม่ชัดเราก็ไปเปลี่ยนเนี่ยไปหัดโยคะก็ได้นั่งโยก อะไรเนี่ยโยกตัวอย่างเงี้ยใครไม่รู้บ้างอะ่ะถ้าเรารู้จักเรื่องความรู้สึกตัวถูกไหมนั่งโยกนั่งเนี้ยหันซ้ายหันขวาโอ้ได้หมดเลยตรงนี้แหละมันเป็นความรู้ของเราจริงๆโดยที่เราไม่ได้ลอกเลียนครูบาอาจารย์แล้วเป็นความรู้ที่เรารู้เองรู้เองเห็นเองนี่แหละเป็นของจริงถูกไหมถ้าเราไม่ไม่ทําคนอื่นบอกสักเท่าไหร่เราก็ไม่รู้ไม่ได้รู้จริงอย่างดีก็พอเข้าใจว่าเออถ้าทําอย่างนี้มันต้องรู้อย่างนั้น อั น, นั้นมันก็คิดเอาถูกไหมแต่ของจริงก็คือต้องต้องทําเอาเองแล้วรู้เ อ, เองนี่ของจริงอย่างโยมเนี่ยนั่งอยู่สมมติอะโยมลองอย่างเงี้ยก็โยมก็รู้ของโยมเองอย่างเงี้ยถูกไหมมันก็รู้เองรู้เองเห็นเองพอเราได้วิธีได้ได้เทคนิคต่างๆมาฝึกแล้วเนี่ยทำให้เราไม่เบื่อนะเราไม่เบื่อทีนี้อตาตมามีประสบการณ์อีกอันก็คือ บางทีเราคิดเอาเองอะนะเราคิดว่าเมื่อก่อนเรายกมืออย่างเนี้ยเรารู้สึกตัวได้แต่ถ้าเราไม่ยกมือกลัวว่าจะไม่รู้นี่ปัญหาใหญ่มากเหมือนกันนะกลัวว่าจะไม่รู้ก็เลยไม่กล้าทิ้งรูปแบบเพราะกลัวว่าจะไม่รู้แต่ทีนี้เรามาลองสัมผัสก็คืออย่างที่บอกก็ลองมาหัดอื่นๆดูทีลองหัดทำท่าอื่นๆบ้างทีมันรู้ได้ไหละ่ะอ่ะก็รู้ได้นี่ ได้หมดก็งั้นก็เลยบอกโอ้ความรู้สึกตัวไม่ใช่ตายไม่ใช่ของรูปแบบตายตัวเสร็จแล้วได้ทุกอย่างโยมเอ้ยโยมเดินเดินอยู่เห็นงูวิ่งมาเนี่ยสมมุติโยมใจลอยใช่ไหมกําลังคิดอะไรเพลินๆใจลอยด้วยโยมเดินไปปับ๊บเห็นงูปั๊บกระโดดแค่นี้โยมก็รู้สึกตัวได้แล้วแต่ถ้าเราไม่รู้ถ้าเราไม่รู้จักคําว่ารู้สึกตัวใช่ไหมเรานึกว่าเราตกใจแต่จริงอตกใจมันมาทีหลังความรู้สึกตัว ไอ้ที่โยงกระโดดตึ๊กขึ้นมาเนี่ยน่ะไว้ทั้งตัวแล้วน่ะรู้แ ล, แล้วแล้วต่อมาจิตก็คิดไอ้งูนี่ตกใจกลัวความกลัวก็เกิดมาในขณะต่อมาแล้วเห็นไหมสภาวะธรรมันเร็วมากเพราะนั้นรู้สึกตัวเป็นจุดแรกความรู้สึกตัวเนี่ยเขาเรียกว่ามันเป็นเป็นปรมัตรธรรมล้วนๆไม่มีภาษาไม่มีความคิดเจือปนเลยเป็นความรู้สึกล้วนๆเลยเป็นของดั้งเดิมเลย แต่หลังจากรู้สึกตัวเนี่ยมันจะเป็นเรื่องของสภาวะธรรมตัวอื่นที่มันเกิดตามมาเพราะนั้นความรู้สึกตัวเนี่ยจะเรียกว่าหัวขบวนมันก็ได้จะมาใช้คาพูดของตัวเองอนนะเป็นหัวขบวนสุดเขาเรียกว่ารู้ก่อนคิดเป็นการรู้ก่อนคิดคือรู้แต่ยังไม่ทันคิดแต่ความคิดมันจะเกิดขณะต่อมาใช่ไหมอย่างเอาง่ายๆเลยเนี่ยอย่างสมมุติเสียงเนี่ยเวลาโยม เวลาอาจมาพูดหรือผมพูดเนี่ยเสียงกระทบที่หูมันเกิดการได้ยินการได้ยินไม่ใช่การคิดมันได้ยินก่อนพอกระทบปั๊บเกิดการได้ยินพอได้ยินถัดมาสภาวะทำถัดมามันจําได้ว่าอ๋อแบบนี้คืออะไรสัญญาเริ่มเกิดแล้วพอเริ่มเกิดมันจําได้หมายรู้แล้วว่าอ๋ออันนี้เป็นเสียงคนพูดเป็นเสียงอย่างนั้นอย่างนี้มันก็เป็นความคิดแล้วถูกไหมเพราะฉะนั้นการได้ยินไม่ใช่ความคิดการรู้กลิ่นก็ไม่ใช่ความคิด การรู้รสก็ไม่ใช่ความคิดการรู้กระทบสัมผัสครั้งแรกแรกเนี่ยก็ไม่ใช่ความคิดจิตที่ไปรู้อารมณ์ครั้งแรกก็ไม่ใช่ความคิดแต่ความคิดมันเกิดขึ้นมาตอนหลังนี่แหละถ้าเรามีสติรู้ไม่เท่าทันเนี่ยเราจะหลงไปกับความคิดแต่จริงก่อนที่จะคิดมันมีอยู่ก็คือเป็นความรู้สึกตัวล้ว น, วนเป็นดั้งเดิมมีมาแล้วพร้อมกับชีวิตแล้วก็ชีวิตเรายังอยู่ไอ้ตัวนี้ก็มีอยู่ แต่คนเรามันชินกับเรื่องของความคิดชินจริงๆเพราะถูกสอนมาให้คิดสอนไปสอนมาจนกระทั่งไม่รู้ว่าไอ้ก่อนคิดมันก็มีอยู่นึกออกใช่ไมก่อนคิดมีอยู่อุปมาง่ายๆก่อนที่จะเกิดอะไรบางอย่างก่อนเกิดมันก็มีบางสิ่งอยู่อย่างเช่นสมมติรถชนกันบางคนเข้าใจว่าพอรถชนก็รู้เลยว่ารถชนกัน แต่เขาลืมไปว่าก่อนถูกรถชนก็มีใช่ไหมเพราะรถชนมันเพิ่งเกิดแต่ก่อนถูกรถชนมันก็คืออะไรก็คือรถไม่ชนอทีนี้เรามาลองพูดถึงเรื่องอายตนะ ก, ก็ได้เหมือนกันอย่างเช่นอย่างสมมติเราคุยกันเรื่องของการได้ยินกับเสียงใช่ไหมพอเสียงกระทบหูเกิดการได้ยินใช่คนรู้จักว่าได้ยินได้ยินเสียงแต่ก่อนเสียงดังอ่ะ เราเคยสังเกตไหมว่ามีสิ่งนั้นอยู่ก่อนเสียงดังเนี่ยมันก็คืออะไรอะ่ะสมมติอาตมาใช้เคาะใหม่นิดนึงนะตอนนี้ยังไม่เคาะถูกไหมมันก็ไม่มีอะ่ะพอเคาะก็มีเพราะฉะนั้นก่อนมีเสียงมันก็มีสิ่งสิ่งหนึ่งถูกว่าสิ่งนั้นคืออะไรอะ่ะถ้าตั้งชื่อขึ้นมามันก็เป็นสมมติบัญญตัติแต่ไม่ถ้าไม่ตั้งชื่อมันก็คือ ก็อธิบายไม่ได้ว่าก่อนเกิดเสียงคืออะไรแต่ถ้าตั้งชื่อขึ้นมาก็คือก็ไม่ได้ยินเสียงไงบางคนบอกได้ยินความเงียบเห็นไหมความเงียบนี่ความเงียบนี้ได้ยินไปไม่มีไม่มีขอบเขตความเงียบเนาะแต่ความดังอยู่ในรัศมีที่จํากัดมากเคาะก็ได้ยินอยู่แค่เนี้ยแต่คนที่อยู่ไกลๆนู่นเขาได้ยินความเงียบเพราะเขาไม่ได้ยินไอทีอ่เคาะเพราะนั้น ธรรมะเนี่ยมันมันจึงมีสองสิ่งไงก็คือว่าสิ่งที่เกิดกับสิ่งที่ไม่ได้เกิดสิ่งที่เกิดอย่างเมื่อกี้ก็คือเกิดการได้ยินแต่สิ่งที่ไม่มีก็มีอยู่คือไม่มีการได้ยินนั้นแปลว่าอะไรอย่างนี้ก็ไม่ต้องอธิบายแต่รู้ได้ด้วยใจของเราเองถูกไหมก่อนโกรธก็เหมือนกันมันมีโกรธกับไม่โกรธแล้วก่อนโกรธคืออะไรอะ ถ้าภาษาก็คือไม่โกรธไม่โกรธมีอยู่เดิมอยู่แล้วแต่ความโกรธเพิ่งจะเกิดขึ้นถูกปะแล้วก็ต่อมาความโกรธก็ดับไปก็กลับไปสู่สภาพดั้งเดิมของมันก็คือความไม่โกรธมันก็มีอยู่เห็นไมเพราะฉะนั้นวันหนึ่งวันหนึ่งนะถ้าเรามีสติ น, นะมีความรู้สึกตัวเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าความโกรธไม่มีเลยอาจจะวันนี้ไม่มีเลยก็ได้หรือพอมันมีก็รู้ว่ามันมี แล้วมันก็เปลี่ยนไปดับไปก็คือกลับไปสู่ความไม่โกรธ ด, ดังเดิมเพราะนั้นสภาวะธรรมทุกสภาวะอะไรเกิดขึ้นมาก็ตามล้วนแต่ดับไปกลับไปสู่ดั้งเดิมทั้งหมดเลยนะอันนี้เป็นสิ่งที่รู้ได้เห็นได้แต่ไม่ใช่เราไปทำให้มันเป็นอย่างนั้นเพียงแค่เรารู้ความจริงว่าอ๋ออาการเดิมๆของมันไม่มีการเกิดก็มีอยู่อาการที่เพิ่งเกิดและดับไปก็มีอยู่ให้เห็นรู้รอบแบบเนี้ย เห็นทั้งการเกิดเห็นทั้งการไม่เกิดรอบของมันอย่างนี้รู้รอบเพราะมันก็มีอยู่เท่านี้แหละเกิดกับไม่เกิดใช่ไหมเออตายกับไม่ตายเอออย่างนั้นเราก็ฟังอยู่แล้วจริงๆอ่ะถ้าบางคนเขาบอกถ้าตายคือคนตายแต่โดยธรรมะมันไม่มีคนไม่มีสัตว์ถามว่าอะไรอะไรตายก็มีแต่ขันห้าเกิดดับไปขันห้าเกิดขันห้าดับมันไม่มีคนเกิดไม่มีคนคนดับ เพราะนั้นทุกอย่างพอเราเข้าใจธรรมะอย่างแจ่มแจ้งแล้วเราก็จะรู้เลยว่าอืทุกอย่างมีแต่เกิดดับมีแต่เปลี่ยนแปลงไปอย่างเนี้ยมันไม่ได้มีคนตรงไหนไม่ได้มีสัตว์ตรงไหนมีแต่สภาวะธรรมเปลี่ยนไปอย่างเนี้ยอย่างเนี้ยอย่างเนี้ยชั่วอาณาตาปีเป็นแล้วเป็นอีกเพราะฉะนั้นถ้าเราเข้าใจอย่างแจ่มแจ้งเราเห็นแผนที่ตรงเนี้ยได้อย่างชัดเจนเหมือนกับอ้อเห็นทางแล้วว่าการเรียนธรรมะก็คือให้เห็นความจริงแบบเนี้ยอย่าไปอยากอะไรมัน แต่ถ้ามันอยากทํำยังไงก็ให้รู้ทันแล้วก็ละมันเสียเพราะว่าในหลักอริยสัจก็คือสมุทัยให้ละใช่ไหมรู้แล้วละแต่ทุกต้องกําหนดรู้เพราะมันทุกอยู่แล้วอะไรก็ทุกทั้งนั้นแหละที่เกิดขึ้นมาเนี่ยนะทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดมาล้วนแต่เป็นทุก์เพราะว่ามันเกิดแล้วดับไปทุกเท่านั้นที่เกิดขึ้นทุกเท่านั้นที่ตั้งอยู่ทุกเท่านั้นที่ดับไปนอกจากนั้นไม่มีอะไร เพราะฉะนั้นอะไรก็ตามที่โยมรับรู้ได้สัมผัสรู้ได้ล้วนแต่เป็นทุกข์ทั้งนั้นแหละเพราะนั้นเข้าใจทุกข์อย่างแจ่มแจ้งแล้วก็ยอมรับความจริงข้อนี้หยุดอยากแจ้งเมื่อไหร่แจ้งทุกข์เมื่อไหร่หยุดอยากเมื่อไหร่มันก็ผลก็คือนิโรธถูกไหมในหลักอริยสัจใครทำได้มันก็เป็นนิโรธทาได้ชั่วครั้งชั่วคราวก็เป็นนิโรธชั่วครั้งชั่วคราวทาได้ทาเป็นแล้วชนานาญแล้ว ก็ถาวรไปเลยเนี่ยก็ธรรมะมันก็มีหลักๆอย่างเนี้ยบางทีมันมันก็ไม่ยากนะักวิธีฟังแบบเนี้ยไม่ยากแต่ถ้าฟังประเภทอภิธรรมเนี่ยโอ้มันยากมากเราต้องคิดเยอะพอคิดเยอะฟันฟ่นเฟือนตามไม่ทันแต่ถ้าบอกว่าโอ้สักแต่รู้สักแต่เห็นเห็นตามความเป็นจริงแล้วไม่ต้องเข้าไปเป็นอะไรกับมันแค่ดูแค่รู้แค่ดูแค่รู้แค่ดูแค่รู้ไปอย่างเนี้ยมันง่ายธรรมะ เออเนาะลองไปพิจรารณาดูก็อาตมาก็ใช้ตรงนี้แหละเพื่อให้เกิดการชํานาญในการรู้การเห็นนะให้มันชํานาญอย่างเดียวเพราะเข้าใจหลักแล้วก็ให้มันชํานาญอย่างเดียวนะวันนี้ก็เห็นว่าสมควรกับเวลาก็ให้พวกเรามีความตั้งใจนะแล้วก็ให้รู้แจ้งเห็นจริงสัจธรรมแล้วก็สามารถมีดวงตาเห็นธรรมได้ในปัจจุบันชาตินี้ทุกท่านทุกคนเทอานั